ไอ้ซอมบึงซอมเบิงธรรมชาติธรรมชาติอย่างหนึ่งของโลกโลก น, น, น, นี่ย ม, มันดูดมันดูดคนวบอกว่าเป็นไม่เป็นหูเป็นต้นเป็นสัดต่างๆมันดูดเมื่อดูดมันมันฟวงมันทีท่ บ้ให้คนเท่าในร่างกายร่างกายประกอบด้วยส่วนต่างๆมันเอามาจากโลกนี่แหละเทาเกิดมาในนี้มาจะคิดเท่อนเี้มาจะคิดมันคิดแล้วมาได้ก่อนหนึง่งโลกมันจะเอาดินน้ำไฟล่มมาต่อมไว้มากล่องไว้กล่กองนึงเถ่ากันกล่อง น, น้อย พอจิตมาอยู่มาปกคล้องตัวจิตนี่แหละบานในจิตเป็นฟูวนขวัญขวายสี่เอาที่เอานันเอานี่มาตืมใจกล่องนันให้มันใหญ่ขึ้นทำให้ร่างกายเทานี่แหละเชื่อครกเกิดจากธรรมชาติผาดของพอ่อขาดของแม่มาห่วงกันกลยเป็นกล่องเึ็นไหกล่องหนึง่ง กะเม่นเอาจากดินน้ำให้ร่มของโลกเขานี่แหละมากมาประกอบกันนะที่แล้วพอมีคิดมากปกครองมากครอบคล้องระบาดหนึ่งคิดแคยบั น, นี้เป็นผู้งควันขวยมาเองเอย่งเส้นเล็กเล็เวาออกไม่จากพ่อจากแม่กูแหละ อ, อ, อยากนั่นอยากนี่กินนั่นกินนี่มากเลยสิละ่ะอันนี้เป็นการคิดมากฟุ้งควยเอาเอากระเม่นเอาจากโลกนี่ละแต่ว่ากม่นเอาจากหมู่อื่นดอกเอาจากโลก เอามาจากต้นใหม่เอามาจากพืชจากพักเอามาจากเหงื่อซัดบ้างอย่งเช่นล่ะไปควนไวาเนี่ยในระวังควนไวายแ่ทำบากทำกรรไปน้่งเล่นพิษบาพิษกรรมไปนั่ไอ้นี่พ่อคือไปจะผ่องใยแล้ววันเนี่ยโอ้ดีสบายแล้วซีว่าเช่นผันบรมัดระวังบัดใดจะุกหรือได้บ่เนี่ อันเท้าบาะมัดระวังวมันตีเย้ยออกมันตีขึ้นไปโรกมันขีดทีมันไหนยืมจะข้าวหรือไยืมแล้วมันจะนนมันใหญ่เาดึงขึ้นอยู่เรื่อยถึงแค่ น, น้อยละในสังเกตตรงบางงาใหม่น่งาใหม่มันอยู่เครื่องเคมันเกิดจากการพิศน์ใหม่มันดูเตาดินน้ำค่อร่มขึ้นไปเกิดประกอบเป็นงาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นที่แหล่ทางงาในน้อยหรอก เป็นงานใหญ่ขื่นใหญ่ขื่นแล้ววะเนี้โดนไปมันเ่าท่านโดนไปในเรื่องมันเข่ามันเข่าแล้วมันโดกระเนี่ยหันโดกเมื่แห้งไปได้ละโดนตุบลงมาโหลดฮักฮักลงมาแค่นั้นแหละมันแต่ว่าโลกเนี่ยมันดึงเอาโยดึงโยซูย่ามหันว่าแจอ่อนมันอ่อนมันผูมันโดกรุดจีบไปได้ละฮักเลยมันรุดลงมาเนี่ยแหละมันบอกให้รุดไปบางอื่นเนี่ยเนี่ย โลกวันนี้คว่ำรักษาของมันอยู่ร่างกายห้างพื้นกัน น, ะะนั่นแหละแต่ิตเจริหน้าเบิ้องร่างกายเ้อนี้กินขา่ากินน้ำกินบอาหารบํารุงกระหามาหลายกุญหั น, น, น, นกันแน่จบแน่ง่ามสองมาข่ามืเอ็ดนี่นั่นแหะเสือผ่ากระหามาใื่ใจเนี่ยรักษามันเข้าไปเอามาโคมกันดีๆแล้วรักษาไปคอบเทียได้คอบหัวงคอบ คือความเป็นของเก็บองนั่นแหะแต่กิดนี่แหละมันว่ามันเป็นผู้ไปหามากตัวเข่าก็ไปเห็ดหน้ามากตัวมากกินกินจกินเองย่ํากันยาเองแต่ว่าของมันขี้แท่แนละ้วมันอันสิ่ไปเอามากเลยมันเอาของเขามากเอาของโลกละมากเอาดินน้าไปล่มจากโลกมากมามันตีฟูนบบบเท่ามา่อไยไรล้วันนี้แต่สิคอยเห็นดอกว่าโอ้มัน มันบวไหวยู่ว่ามันบวไหมันเสีเอาขึ้นอยู่มันมาซันซันไปสันมากกโลนขึ้นจังบักท่านนี่แล้วเมื่อกลับเขอยเงยออกเงยออกแมนควมมั่นนี่แหละมันนี่ในที่สุดตายตายก็ะแม่นว่ามันมันหยาดเอาหยาดเอาขึ้นไปจนจนสําเร็จแล้วมันก็ได้หยาดเอาขึ้นไปจนสําเร็จแต่แต่ว่าเท่าตรงกิน ต้องทิมอันนี้อันเทีย่ยวหามากมดชีวิตนี่แหละใส่ชีวิตใส่เวลาใส่โอกาสเนีหามากจนมดแห้งมดกําลังมดทรัพย์สินมดเวลามดชีวิตนี่บนเหลือนั้เป็นทังสี่หมดแน่นี่แต่ในจะไล่ามากแต่ก่อนใช่เขามาอยู่นี่ก็เป็นพระเจ้ากับพญี่ามคุณขวอยหาไว้เั็นว่ า, วว า, วาวป่วยมาเจ็บมาเจ็บก็บไปรักษา รักษาลงพยาบาลมีกระโปงพ่ออย่างน้ยินว่าหมอพ่นดีก in ็ไปรักษาหมอพนดีกอย่ง <Hope> ยินว <afood> ่าประเทศอเมริกาดีก็ไปรักษาปันนั <itat> ่นกัเอาบโบยูอัลโบยูกับไปเที่นมาตลอดเทาจสังเกตเ้แอันนี้มันสังเกตแล้วถ้าเอาแน่วอื่นจะไปเอาแน่วของเขาอันเพี้ยมหาเนี่ยมันของเขาหมดละมันจะเอาไปกล่องไว้ใส่ก็ป็นของเขาไปกล่องไว้ใส่ก็จะน้ำเกลือขึ้นหมดอ่ะ เท่าหันหาแน่วอันมันอันมันเขาเอาขึ้นบ่ได้มันมันบริเวณของเขาเนี่ยหาเอาถ้ำมาหาเอาคุทธถ้ำยึดเป็นสมาธิเป็นสติเห็ดสมาธิก็เป็นเฮ็ดชาติก็เป็นเหตุสติก็เป็นเนี่สิไอคิดมันส่งค้อมเป็นของมันอยู่หันส่งข้อมือเป็งบส่งค้อมือบปุนในคิดยู่หันยังไงล่ะ มันยังแนวแนวสิได้เนะี่ะเขาบ อ, อกอาขึ้นหอกอันนี้เฮ็ดบุญเฮ็ดยังแล้วก็เอาไปเจ็บไปนั่งคิดคันยิ่งนัคิดแล้วเขาบอเอาขึ้นดอกเมื่อโมเมนต์ของเขาอันนี้นะไอ้เฮ้าเลือกเอาเปล่นมันเฮ็ดยากเนี่ยหล่ะแต่ว่าคันเฮ็ดแล้วมันได้อันนี้แหละแนวเฮ้าสิได้กระสันลับบ่ได้หรอกยังกระได้ลา ย, นยแนวแหละเขาก็เห็นตัวผู้อืนอ่นเคยเห็นเห็นผู้อื่นเขามาหาอยู่ดนกู้เฮ้านี่ลำร้อยกู้เฮานี่หาแต่ลายก่าเฮ้านี่ บัตายไปละองอยื้อทั้งหลังที่ให้ร่างเชื่อกับทิศกันญาติกันอีกอยิ่งสำลุซุ่มผู้ที่รุ่นอั่นละใน่พิจรารณาเด้อใส่เวลาในมาภาวนาเน่ฮะเอาเนี่ยมันใส่ใจใครเน่ใครห ล, ลายๆมันจะติสลาดว่า